ตักคำว่าดีเลยเมื่อเราเข้าใจในคำว่าดีแล้ชั่วของอารมณ์แล้วเขาไม่เรียกว่ามีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาดีแล้วเนี่ยเราสามารถจะอยู่กับคําว่าบุญของธาสี่คือกายมนุษย์ได้ น, นี่เนี่ยเขาเรียกว่าสมบัติ ด, ด้านเดิมก็คือคำว่าธาตุสี่ซึ่งตายเต้ามันจะคำว่าสุขสินะเอาเราลองสิเราลองไม่สมาํารวจอารมณ์สิธาทัสี่จะมีใช่เพียงปัจจุบัน แต่หลังจาก่าตุสังตร์ละลายไปแล้วจิตตรงนี้มีอกุศลกรรมเป็นเป็นที่กําเนิดอาบายภูมิก็จะเปิดขึ้นสําหรับุคคลที่มีอาุศลกรรมเช่นนรกหรือสัตว์เปรตอสุรกายตอนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงคําว่านารกหรือหรือเปรตอสุรกายแต่เรามาดูดูพฤติกรรมของสัตว์สัตว์แปลว่าไม่รู้อะไรสมไม้ที่มนุษย์นั้นเกิดเป็นสัตว์ เพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์ทําตนเป็นผู้ไม่รู้จักอะไรในเรื่องบุญและบาปสร้างพฤติกรรมของตรในลักษณะทําตนเป็นไม่รู้และผลบาปนั้นเกิดขึ้นมาสร้างตนเป็นสัตว์นั่นแหละเขาเรียกกรรมของเราจึงมีคํากล่าวที่พระเจ้ากล่าวขึ้นมาก ร, รมมู่นาวัตตีโลโกนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามถ้าเราเป็นผู้รู้เราก็คงจะได้ดีกว่านี้แต่นี่เราทําเป็นผู้เป็นผู้ไม่รู้ใช่ทาเป็นไม่รู้บาป แต่นี้เมื่อบาป ม, มันกำหนดขึ้นมาในลักษณะอวิชชาแล้วน่ยแล้วเราจะทำงานแล้วก็น้อยใจในความเป็นสัตว์แหมรู้อยู่มี้ทำดีทุกดีรู้ว่าจะต้องเกิดมาเป็นสัตว์นานาช น, นิดแล้วก็ทำดีทุกดีแต่มันสายกเกินไปแล้วในเมื่อจิตดวงนั้นธาตุของเรามันต่ำลงไปเขาเรียกว่าธาตาุาต่ำๆคือธาตุสัตว์จิตต่างๆก็คือจิตสัตว์ตต ม, มนุษย์ดีๆเขาเรียกว่ากายธรรมแล้วก็จิตดี เขาเรกว่าจิตสูงจิตสูงก็จึงแปลว่าถูกเคลนจากคาว่ามันสํารวมจิตในคําว่าศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราสํารวมอยู่ประเภทอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเขาก็เรียกว่าทําต่อเนื่องกันเป็นคำว่านิจศีลยิ่งทําทุกนาทียิ่งทําทุกลมหายใจท้าออกแล้วจะเกิดเป็นการสํารวมที่ดียิ่งเพราะว่าอนาคตแปลว่าความตายใช่ไหมยังไม่แน่ว่าเราจะตายวันไหนไม่มีใครบอก พระพุทจ้าเขบอกว่าอนาคตแปลว่าไม่แนไม่รู้ว่าชีวิตอนั้นจะไปตกตรงไหนเพราะว่ามันมีความสําคัญอยู่ในชีวิตของเราทุกคนก็คือลมหายใจเข้าออกตอนนี้ถ้าลมมันออกไปแล้วมันไม่เข้ามันก็เน่ามันเข้าไปแล้วมันไม่ออกมันก็เน่าไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในชนชั้นวันนะมั่งมียากจนแค่ไหนก็ต้องเน่าเพราะนั้นก่อนที่เรื่องนี้จะเน่า จงดูเรื่องราของอารมณ์คณะจึงเขียนคําสัจธรรมที่ได้วธรําถอยหลังให้ดูไว้จนสี่ประการเรามาอ่านดูได้ในป้าคาเหล่านี้เป็นคำสัจธรรมถอยหลังที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าดินจะเห็นตัวกติธรรดินนี่หมายถึงของแข็งของแข็งหมายถึงกายมนุษย์กายสัตว์ จงดูการมนุษย์และการสัตว์ที่ต่อกําเนิดขึ้นในเรื่องของกรรมถ้าจิตจะมีสติสัมปชัญญะนะหมายว่าได้หลับกานทร์เข้าศาสนาและจะรู้จักกรรมถ้าคนไหนไม่เข้าใกล้ศาสนาแล้วคนนั้นยากที่จะรู้จักกรรมอีกเหมือนกันเพราะนั้นคำว่าดินจะเห็นตัวกระทําหรือดินจะเห็นสังขารนั้นก็หมายถึงลักษณะสังขารที่มีกรรมสังขารของมวลมนุษย์ ที่เรียกว่ามีชีวิตแล้วได้ชื่อว่าเป็นสังขารกรแต่ว่าในสังขานกรรมนั้นมันเป็นประธานยังไม่ตัดสินลงไปเลยว่าสังขารนั้นเป็นกรรมดีหรือกรเมช่วแต่พระเจ้าไว้การไว้เพียงประธานของของกรรมว่ามัชฌิมคือสังขารเนีย่ยมีทั้งดีและชั่วติดตัวถ้ามีนิสัยดีในคำว่าอบรงสินธมาที่ปัญญา ม, ามันดีก็คงจะได้สังขารที่ดีต่อไปใช้ดีๆต่อไป ผมจะพยุงสังขารในดีอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้ามีนิสัยดีแต่ถ้าไม่มีนิสัยดีที่แค่ได้นิสัยที่ไม่สนใจในธรรมชาชีวิตเอาแต่อารมณ์มาใช้เอาแต่อัตตาการเห็นแก่ตัวมาใช้เห็นแก่อารมณ์มาใช้วันหนึ่งสังขารนี้จะต้องร่อยห้อเพราะเกิดขึ้นจากนิสัยที่ไม่ดีสะสมเข้ามา เพรนันผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะแล้วจึงตลองร้อ่านจึงจะต้องธรรมะระวันในการดูดินเพื่อดูสังขารเมื่อเรารู้จักสังขารําว่าสังขารที่จะใช้ดีใช้ช่วได้ต่อไปเราก็ดูขั้นต่อไปลมน้ําจะเห็นเป็นพี่เลี้ยงสติธรรมของพระเจ้าเลี้ยงเราหรือว่าสติของโลกเลี้ยงเราสติของโลกเขาเรียกว่ามีโลกโกรธหลงเป็นวินัย สติของธรรมเขาเรียกว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นดุนายถ้าพระพุทธธรรมพระสงค์หล่อเลี้ยงจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นจะผ่องใสมีการให้อภัยและไม่ถือในบุคคลผู้ไม่รู้เป็นอย่างเขาจึงเรียกว่าจิตที่เป็นคลงแต่ถ้าโลกโกรหลงมันเลี้ยง้วจิตคนนั้นจะเศร้าหมองจิตคนนั้นจะมีต่ทุกถ้าเกิดขึ้นจากคําว่าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่หล่อเลี้ยงธรรจิต แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องคำว่าการหล่อเลี้ยงทางจิตแล้วใครบ้างที่ที่ไม่อยากจะ ท, ทําจิตทำใจให้ดีใครบ้างอยากจะได้จิตที่เศราหมองเราก็อยากจะได้จิตที่ที่ที่สดใสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้จิตที่สดใสเราก็ต้องมาศึกษาวินัยของพระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธเจ้าไว้เพื่อให้เรานี่เปลี่ยนนิสัยไม่ใช่ว่ามีพระพุทธเจ้าไว้ให้กลับไม่ทิชเฉอรหรือให้มองทิชเฉอร แะเช่นอย่างพระพุทธเจ้าองคมพระปฏิมากรในตู้ที่เรากราบเมื่อกี้เนี่ยท่านให้ดูเยี่ยงอย่างธรรมะหรือคําสอนที่ท่านกล่าวไว้แล้วเป็นดีในข้ออะไรที่ท่านห้ามอย่าไปทำข้ออะไรที่ท่านทรงอนุ ญ, ญาตและประสามหาพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเอาอะไรจากเร า, ไ ม, เม า, ามไม่ใช่มาปิดบังคำพราไม่ใช่มาหลอกมาลวงพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความบริสุทธิ์คือสัจธรรมข้อจริง จึงเรียกว่าโอภาคุจ้ามองไปไกลสักนิดหนึ่งถึงเรื่องราวของผู้เจ้าในสมัยเมื่อ 2,530 ปีที่แล้วผู้เจ้าทรงสั่งสอนในสัจธรรมที่มีเหตุผลมีข้อยุติไม่ใช่ว่าทำปริยายไม่ใช่ทำโม่ครับไม่ใช่ทำลงลุมเล้งแรงไม่ใช่ทำอย่างที่เขากล่าวกันมาแต่เป็นธรรมที่ประกอบไปด้วยคำว่าเหตุและผล อย่างเช่หนหลวงอาผู้ให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้เราลองทำดูก็ได้ถ้าเราใช้อารมณ์ที่ไม่เข้าใจมาเลี้จิตแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของตนสมมตว่าตัวโปรดมันปรุงแต่งจิตเราขึ้นมาในแล้วเราไม่ยับยับย้งขึ้นนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นันบชีวิตของเในเมื่ออารมณ์มันปรุงแต่งจิตแต่ถ้าเรามีสติมีสาัมปาชัญญะก็จะรับในคำว่าอารมณ์โรดอา เพราะไอ้ตัวนี้มันสามารถจะบริหารการงานได้ทุกชนิดตั้งแต่หน้าพอ่อหน้าแม่มาทั้งหน้าของคนทุกคนที่ขวัญหน้านี่เห็นไหมจบๆแล้วมันจะทําให้เราเศร้าหมองขนาดไหนถ้าเราไปใช้ในคําว่าสติของของโลกหรือว่ามีสัยของโลกหรือว่าอารมณ์ของโลกที่ปุ่มแตกและดูหน้าพระพุทธเจ้าที่มีสติทานํำสติเดินและเปนขอ ง, ของสายขนาด ดูหน้าของคนที่มีศีลสมาธิปัญญามีการให้อภัยที่กระสงข้าหน้าก็ของใสขนาด <Okay. S 1> ก็จะเห็นทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนกัดจะทำเป็นเหตุไปเลยไม่จะสอนให้เราหลงไม่จะสอนให้เราเข้าใจผิดหรือหลงมงมงายในเรื่องการนักถือศาสนาแต่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนให้คนฉลาดและฉลาดสําหรับชีวิตของตนเองด้วยไม่ใช่ฉลาดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าไปฉลาดจะครอบคนอื่น ที่เขาเรียกว่าดีแต่ฟูนักตัวสมัยนี้ถือตําราเอาแต่พูใครที่เรียกว่าตําราเดินหน้าตัวทำไม่ดีทำโลกุตตระที่นําไปนี้เขาเรียกว่าทำย้อนหลังดูยิ่งอย่างคนดีทำจึงมาแต้มคำสาอาคําคสอมนมีเกิดขึ้นในสถานที่นี้เพื่อจะให้สติและสัมปชัญญะของเราทุกคนย้ไปดูความเจริญของบุคคลที่เขาบิดทำ ว่าุคคลที่เขามีธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั้ น, น, นเขาทําป็นยังไงเขาจกลายเป็นบุคคลที่ผ่องใสไม่ว่าจะเป็นนักหบวชหรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขามีจิตใจที่ผ่องใสยังทํเขาไมจริงจริงใจกับธรรมะบุญกุศลที่กระคันักบวชทำไมจะมีความจริงใจต่อนเนคธรรมาที่ตนจึงบวชขึ้นเพราะเขาเข้าใจในธรรมะสิ่งนี้แล้วเขาจึงได้ความสดใแต่ทําบุญแต่ละที เขาก็มีจิตใจที่ผ่องใสแต่ไม่ได้วําทำอย่างเสียไม่ได้ทำอย่างเกรงใถูกคงครับนะหรือว่าทําตามกันมาทําโดยไม่มีความเข้าใจในบุญนั้นเขาเรียกว่าบุญโง่ครับบุญไม่มีข้อยุติยุอ่าบุญที่ไม่มีเหตุดีบุญที่ไม่เข้าใจในธรรมศาสต ร, รจัดทำเชานี่เราจะเห็นถึงถึงคำสอนของโลกุตตะลาคำสอนของโลกุตตะลานี้ก็เรียกว่าคำที่ไม่ใช่คำในคำผิดคำหนัก มีจริงในตำราของพีนะไม่ใช้ปฏิเสธแต่ปฏิเสธในลักษณะที่บุคคลเรารู้แล้วไม่ทําและตํารา่องนั้นมีประโยชน์ไหมสําหรับบุคคลนั้นฉะนั้นจะเรียนจบไปถึงขนาดกระจายประโยชน์เรียนกล้าประโยช น, ยชน์หรือจะเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตเป็นศาสตร์เป็นผู้เปิดเผยในเรื่องการเรียนการศาึกษาแต่ไม่ใช้วิชาในการเรียนอยู่นั้นมันเป็นลนักษณะใช่ในชะีวิตจะมีประโยชน์ไมหมตำนานนั้น เราดูสิประเดีย๋ยวจบประเด็ยนยกล้าประโยชน์ทำไมถึงสึกมันนิ่เกลื่จบพุทธศาสนาบัณฑิตทำไมจะไม่มีลูกนี้ผีพระพุทธเจ้าบุญลักษณะได้ธรรมะแล้วไม่ย้อนหลังคือไม่ย้อนหลังก็อยู่คำว่าเมืองและวันต่อไปนั่นคือสัจธรรมที่แน่น อ, น, อนเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกุตตรธรรมจริงเรียกว่าธรรมชี้ที่ให้ดูในปัจจุบันว่าเขาทำกันยังไงเขาจะมีธรรมและคนที่ไม่ทำจะมีธรรมได้ไหม คนเราจะมีทมําให้ชาวามีไปตามลักษณะที่เรียนรู้และจําได้ถงนั้นการสร้างธรรมต้องเกิดขึ้นจากธรรมะข้าทั้งสี่เป็นต้นไปนาาวาจาของตนเป็นต้ น, นจิตของตนเองเป็นต้นจึงเขาเรียกว่าแกว้วสามประการคนที่จะเป็นแกว้วสาประการนั่นเขต้องอาศัยการจัดทำวัคคิจช้าจึงบอกว่าน้นําเราจะเห็นเป็นที่เลี้เงขาให้มีสติสักนิดว่าอะไรนั่นเลี้งจิต สังขารวาจาไม่เคยเรียกว่าธาตุรับใช้จิตจะตั่งานอย่างไรสังขารก็จะใช้ไปตามจิตที่ตั่หรือวาจาจะให้ยาจะให้ว่าอย่างไงนะวาจาก็จะกล่าวออกไ ป, ไปถึงเรื่อง ก, การจิตที่ใช้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสังขารของเราก็คื อ, อ บ, บุคคลที่อ่อนโยนหรือว่าธาตุที่อ่อนโยนจะให้ทําอะไรก็ได้ทําดีทําชั่วทำได้ทังนั้นแหละมันขึ้นอยู่ว่าข้อคิดเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตของตนนะ่ะ อะไรเป็นเหตุเป็นผลหลอ่อเลี้งจิตทัต้งตนเป็นมิจฉาเนี่ยให้เราเข้าใจให้ดีๆเป็นเรื่องหลักการของศาสน า, าที่เป็นสัจธรรมเมื่อเราเข้าใจในคําว่าน้ําที่หล่อเลี้ยงทางจิตต่อไปพระเจ้าประสงสั่งสอนให้เข้าใจยิ่งําว่าลมจะเห็นตนกับเขาบุคคลที่จะรู้ว่าตนเองทาดีทำชั่วก็ต้องอา ศ, า ศ, า ศ, าศาาัยธรรมะลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าไม่มีลมอันนี้เกิดขึ้นแล้วในลักษณะที่เรียก ว, ว่าเป็นผู้รับใช ความดีความเที่วของกิิดูนั้นสมบูรณ์ที่เขาเรียกว่าลมตับตคนเป็นเป็นต้องรู้จักคําว่าลมที่ใช้ต้องรู้จักคําว่าลมมัน ท, อท า, นาทอะไรมือของเราตบหน้าคนนั้นไปว้าจ้ากล่าวไปมือของเราไหว้พระมือของเราใส่บาตรมือของเราทําสมาธิมือของเราไปทํอาอะไรขาไปทําอะไรลมจะเป็นผู้บอกถ้าเรามีสติมีสัมผัญธรเป็นดีนั้น เขาเรียกว่ามีหลักการท่องษาสนาดเป็นพื้นและต่อไปเราก็จะกลายเป็พวกอันตรธานพวกอันตรธานที่จะบริหารการบริหารจิตของเราให้เป็นอวิชาที่เดียวหวัดตกแล้วราก็เกิดเป็นสัตว์หรือเป็นพวกที่เดียวแบไม่เข้าใจบุญบาปนั้นก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมิตรสิ่งที่เรียกว่า่ไยตามลักษณะภาษาท่องธรรมเขเรียกว่าลาคัตทิโทสัพที่โมหิต บุคคลนั้นไม่มีจิตใจเข้าใจความร้อนของของความโลภของม โ, รงโกรธควมหลงมันอาจจะทําให้เราไกลพระพุทธเจ้าไกลคุณพ่อคุณแม่ไกลปู่ย่าไกลยายไกลเพื่อนสูงไกลเพื่อนมนุษย์โน่นเลยไปอยู่โน่นเลยสีขาหางยาวโน่นเป็นวัวเป็นควายหมูหมาตากายนั่นมันไกลไปขนาดไหนไอ้คําว่าไกที่มันผักโขงไปนี่เนี่ยเรามาหยุดจ้าในคาว่า สร้างความเข้าใจกับพระพุทธศา ส, สนาสักนิดหนึงชีวิตวเราก็คงจะดีนักบวชก็จะต้องมีอุบาสกอุบาสิกาเขาก็คงจะงดีถ้าเราเข้าใจในวิถีชีวิตของเราเองว่าชีวิตนี้เรามาปดเพื่องเรื่องของการมันสร้างความมันสร้างในสิ่งที่เป็นคุณธรรมสู่ควาดีตามเยี่ยงยามของศาสนาที่เราเลิกบูชาขึ้นด้วยจิตใ จ, จที่เดียว่าศรัทธาและเร่องใสอย่ามาทําจิตใ จ, จในประเภทที่เดีย ว, ว่า ถื อ, อย่างเสียไม่ได้ถือตามปัญหาถืออย่างเพลี่ใจหรือว่าถือแบบบังคับโดยกําเนิดไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องของพุทธมามากับบาสุปตจิตาและไม่ถูกต้องสําหรับนัก บ, บวชด้วยแนะมันเป็นนักขณะใช่ไหมที่เขาเรียกว่าหน้ามือไปหลังเลยบวชเข้ามาทั้งทีน่าจะได้ดีกลับได้บกเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีน่าจะได้ดีแต่ทำไมถึงกลับมาโลกเกิดเป็นสารทำไมจะต้องมีพระพุทธศาสนาให้เรากราบไหว้ ถ้าไม่มีสัพพันญูมาเกิดขึ้นไม่มีสัพพันญูมาสอนสัง่งจิตจะเป็นอวิชชาทั้งหมดเราไปดูพวกชาวบงชาวป่าที่ไม่มีศาสนาที่อาศัยไม่มีพระไปชี้แจงไม่มีพระไปสอนสัง่งแล้วมนุษย์เหล่านั้นเป็นอย่างไรบุญบัตท่านไม่สนใจท่านจะสนใจแต่เรื่องกินเรื่องนอนท่านจะสนใจแต่เรื่องกา่ามรุณนเก่านี่เป็นลักษณะแบบนั้นที่เรียกว่าคนไม่มีศาสนา ถือศาสนาต้องได้ดีถ้าถือจริงๆเราดูอย่างอนาบิิกเรษฐีเป็นตัวอย่างวิสาขาเป็นตัวอย่างเขาถือศาสนาจริงๆแล้วก็ได้ดีขนาดไหนโมคคลาภาษาลิบุตรถือศาสนาจริงๆแล้วได้ดีขนาดดูคนที่ไม่ถือศาสนาเป็นดีไหนดูเทวทัตไม่จริงจังต่อศาสนาทําร้ายพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธเจ้าหาทางฆ่าพระพุทธเจ้า แล้วเทวทัตเป็นได้ชืว่าชั่วจริงๆชั่วที่ตัวมันก็เลยต้องตกนรกเป็นอนนันตรายกรรมทำร้ายตัุทจา ก, ก็เหมือนยังโยมเหมือนกันพระเนรไม่ใชีเหมือนกันลองทีเนี่ยลองไปตกหน้าแม่ทุกทีทำบุญสักหมื่นครั้งแสนครั้งก็มันสามารถจะลบรอยหน้าแม่ได้หรือตกหน้าพ่อทุกทีเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้ให้กําเนิดสังขารอาศัยอะไรขึ้นมาเป็นแรงในการสร้างบุญกุศล เรากําเริ่มขึ้นมาในฐานนี้ไม่ไม่เข้าใจในกลุ่มในกลุ่มไปตบหน้าพอ่อนาไม่ปุ๊บเดียว์เท่านั้นเป็นอนันต์ิจดยกรรมดาหน้าพอ่าอนาดาพ่อด่าแม่ที่เดียนั้นพระรัศมีหรือแม้แต่อมพระพุทธ ร, รูปในตู้ใครเรามาตบหน้าทั้งทั้งที่ไม่มีบินยานได้ชื่อว่าทําร้ายแล้วด้วยจิตที่เจตนาทําแล้วด้วยเดีรที่เจ็บพบอาการสาทุสองเป็นอนันต์ิจดยกรรมนี่ ถ้าเราไม่นามัติระวังถึงเรื่องผู้มีพระคุณแล้วชีวิตก็ก็ยากที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนอย่างพระเจ้าอัญชาติศัตรูไปฆ่าพอา่อฆ่าแม่อาชาติศัตรูได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมเทวทัตทำร้ายผู้อุได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมเพราะกรรมทั่วที่เด็กทำนี่มันเป็นลักษณะเลยนะทโลกุตระจึงเรียกว่าทำชี้ชี้ให้รู้จักว่าบุญควรทําหรือไม่ควร บาปควรทำหรือไม่ควรแล้วเคยฟังทำจิตราตุสวดคนตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วกุศลาธรรมมาอักูุศลาธรรมมาจิตทุกดวงที่มามาด้วยกุศลและอักกุศลจิตทุกดวงที่ไปนั้นก็ไปด้วยอักกุศลและกุศลกุศลก็จะทำไปสู่ความเป็นคนที่เรียกว่ามนุษย์หินภพเทวะแต่ถ้าอักกุศลก็ตกนรกเกิดเป็นสัตว์เป็นอ บ, บยัยนี่มันเป็นลักษณะ เพราะนั้นบุญที่หนึ่งปัจจัยสบุญชั้นที่สองใช้กายวาจาจิตมาฟังธรรมศึ ก, ศกศษาธรรมปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียก่าบุญชั้นที่สองอาศัยกายวาจาจิตขังตนเองมาสร้างเป็นบุญเป็นอัตตาหิตอัตโนนาโถไม่ใช่ปัจจัยสี่แล้วปัจจัย4นี่อาศัยคนอื่นเขาทำแต่ถ้าเราเอากายมานั่งฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียก ว, ว่าอัตตาหิตเรามีเพยียงในธรรมกายวาจาจิตมาศึกศษาธรรมปฏิบัติเป็นบุญชั้นที่สองอาชั้นที่สองของเขา มีข้อยุติอย่างนี้ในบุญข้อที่สองนี่เขาเรียกว่ามันสํารวมกายวาจาจิตอยู่ด้วยสินสมาธิปัญญาแล้วจิตตรงนี้จะดีกายอันนี้จะดีต่อไปเราก็จะได้มีกายดูดีและจิตดีแนี้ต่อไปในอนาคตส่วนบุญชั้นที่3านี่เขาเรียกว่าบุญชั้นพระฤาษีเจ้าโดยอาศัยจิตรวงเดียวเป็นเครื่องกำหนดที่เขาเรียกว่าเอกับจิต จิที่ตัดขาดจากอุปาทานความทุมั่นในโลกเกิดตกทั้งหลานั่นเขาเรียกว่าจิตของพระฤีเจ้าเป็นบารมีชั้นสูงเป็นบุญชั้นสูงของเขาเป็นเรื่องรางของฤริีเจ้าอีกทีนะเพราะฉะนั้นที่เรามาทํากันอยู่นี้เขาเรียกว่าหนึ่ง เ, เราทําปัจจัยสี่สองทำด้วยกายวาจาจิต3ามทำด้วยจิตภาวนาสมประการนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลของเรามาตลอด ถ้าเราจะมีความขยันหมั่นเพียรในลักษณะของคำว่าศัทธาประสาทธด้วยสติและสัพพัญญะเราก็จะได้เห็นได้ผลจะทำกับฟังทมปฏิบัต um> ิธรรมพระนสถานที um> ่นี้จึงเป็นสถานที่ให้ข้อคิดแล้วก็ให้สติให้ปัญญาเมื่อเราได้ข้อคิดสติปัญญาแล้วเราก็ทำขึ้นให้เป็นอัตตาแล้วเราก็จะเข้าใจในรมะชีวิตมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ มีข้อคิดข้อหนึ่งที่ทําเขาบอกว่าชีวิตของเจ้าที่เข้าของฉานคือดินน้ําลมไฟขันห้าหรือวิญญาณเขาจะประกาศทันทีว่าไอ้สิ่งที่อาศัยนี่เป็นของฉานนะแต่จิตนั้นเป็นของเธอนะเธออย่ามาโกงเถอไม่ได้นะถ้าเธอโกงอะไรเธอจะเสียคนเธออาจจะเอาท่าของฉานนี่ไปโหมเทงนั่น แ, แกผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นครั้งเธอจะได้รับกรรม เพราะเธอไปยึดถือฉันเกิดเธอทําไมไม่ยึดถือจิตของเธอในลักษณะสติธรรมนําสติเลยนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็คงจะไม่หลงในคำว่าสังขารที่เราอาศัยเกินไปนะักและไม่หลงในคำว่าทรัพย์สินสมบัติที่เราอาศัย<น>ก็อาจจะมีสุตินำเป็นวินัยให้คนโน้นจ่ายคนนี้ช่วยเหลือกันไปตามภาษาของผู้ที่มีบบังคับวาจามีไว้กล่าัถึงเหตุผลในคำว่าบุญและบาป หรือว่าชี้ทางต่างๆที่เราควรทาและไม่ควรทาส่วนจิตนั้นเก็บไว้เป็นคำว่าเหตุผลของสติครับที่เรียกว่าองุปัฏฐนาใจสามประการนี้ถ้าคนนั้นไม่อยู่แล้วคนนั้นไม่ประมาทดูที่พรนะพุทธในประมาทหมายสอนให้ทุกคนประมาทเบื้องสุดท้ายต่อพระพุทธเราจะานิพพานนะเพื่อทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเถิด เพราะอย่างอื่นนั้นไม่เป็นพื้นที่จะพึ่งดับมันเพียงเพียงอาศัยเทานั้นเนี่ยท่านชี้ตั้งแต่กายไปเลยกระทั่งนู้นเลยสมบัติคัตถาเครื่องบริวารทั้งหลายและชีวิตของคนอื่นเป็นเรื่องอาศัยแม้แต่พัญยาแม้แต่สามีแม้แต่พ่อแม่แม้แต่พี่น้องแม้แต่ลูกตระดังเขาก็มาอาศัยในธรว่ า, าสังขารแห่งความสามื่อี่ร่วมกันเราก็จุนเจือไปตามลาักษณะ ในลักษณะที่รู้ว่าสิ่งนี้อาศัยร่วมกันต่างานานาคนต่าง ม, มาต่างคนต่างไปในธรรมเขาจึงบอกว่าชีวิตของเจ้าที่เท่าของขานก่อนที่สังขาร น, นี้จะกลายเป็นที่เท่าหาเรื่องราวดีๆขึ้เขาจึงเรียกว่าได้ประโยชน์จากสังขารในเรื่องการบําเพ็ญบุญได้ประโยชน์จากสังขารในเรื่องการทํากิจเป็นเ อ, เอกกได้ประโยชน์จากสังขารที่เรียกว่าปัจจัยสี่ทาสิงขึ้นมา ก็หาเวลาใส่บาทมีเงินมีทองก็จุนเจือเผื่อแผ่ไปตามลักษณะาภาษาของคนที่มีใจดนให้อภัยในอุบัติเหตุของอารมณ์บุคคลที่ไม่กูกใจเหมือนกัาเรามาศึกษาธรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการให้อภัยต่อผู้อื่นด้วยเขาจะได้ว่านักกลับดูพระุเจ้าเนี่ยเทวชัดดินด่าหรือว่าพวกเบญถีดินดับเฉยนิ่งเหมือนชาถ้าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าแพ ไม่เถียงเขาจะคาเลยพุทธเจ้าบอกผู้รู้ยืนนิ่งอยู่เป็นผู้ประเสริฐผู้ไม่รู้กล่าต่อไปนั่นคือดีลจฉานเห็นไหมแล้วคนที่กล่าวดา่าพระโทธิพธินะ์ันเขาเรียกคนลับหลัคนยืนนิ่งอยู่เฉยเขาเรียกคนดีดูเขาจะได้บอกว่าพระจึดแปล ว, ว่าเฉยเฉยเพราะความรู้ไม่ได้เฉยแบบหาวิชาไม่ใช่ว่าตัดฟันเฉยว่นแต่เฉยแล้วว่าสิ่งต่งตางๆนั้นเป็น เขาเรียกเรียกว่าผู้เผนี่แหละเขาเรียกว่ า, า, ยวาอย่างที่เราได้ยินพูดกันตามภาษาเขาแล้วว่าแท้เป็นพระชนะเป็นมารเอาที่อยากจะชนะประชาชไปอยากจะยินดา่าอยากจะว่าอยากจะโจ่อยากจะทํำลายธรรมธรรมไปสิแต่อย่าลืมนะว่าเราจะต้องรับกันแต่การให้อภัยไม่ถือไม่โกรธไม่เคนะืองนั่นคือเรื่องดีเรื่องของคนที่จะมีทําแล้วมีสุีเนี่เราทุกคนก็ตําจไว้ ถึงเรื่องราการศึกษาทำและปฏิบัติทำไม่ใช่ว่าลุงอาพูดปดีแล้เราก็นิ่งเฉยโดยที่ไม่ดูตัวเองว่าดีหรือไม่ดีแต่เราจะต้องดูตัวเองมาต่อไปนี้เราดีพอหรือยังความดีของเรานั้นไว้ใจได้หรือยังหรือความไม่ดีของเรานั้นดูถึงหรือยังเราต้องดูกันเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครของมาดู เราเองเราจะต้องเป็นผู้ดูตัวของตัวเองขึ้นในสัจธรรมข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงให้ข้อคิดกับเรานั้นก็คือจับตนคนตนหาเหตุหาผลกับเรื่องราวของตนคนเรานั้นจะดีจะชั่วจะมีความประพฤติดีหรือไม่ดียังไงดีพอหรือยังหรื อ, อยังดีไม่พอหรือชั่วไปขนาดไหนนั่นก็อาศัยดูตนเป็นใหญ่ นั่นคือคาอาการตัดเตือนหรือการท่วงติ่งที่พระพุทธองค์นั้นทรงให้ข้อคิดแก่เราอีวิตของเราหนั่งนะมีค่าอยู่กับธรรมะแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็อาจจะเป็นคี้ค่าของอารมณ์หรือเป็นคี่ค่าของกรรม เรารู้อยู่แล้วว่าคนที่มีค่าหรือไม่มีค่าเนี่ยเป็นยังไงอย่างพระพุทธองค์ของเราเนี่ยพระอรหันต์สาวกทั้งหลายในท่านมีค่าหาค่าไม่ได้คือในโลกนี้จะไปเปรียบค่าของพระพุทธเจ้าหรือค่าพระอรหันต์ไม่ได้เลยคือไม่มีอะไรไปตีค่าสูงเท่ากับค่าของของพระอรหันต์หรือค่าของผู้มีธรรมะ ทุกดวงจิตนะควรจะมีความสำนึกขึ้นว่าเราเนี่ยมาเสริมสร้างธรรมะเสริมสร้างบารมีเสริมสร้างบุญบุญสนแกตชีวิตตนให้มีค่าเมื่อจิตของเรานั้นมีการปักตวงหรือว่ามีการประพฤติ ท, ที่เป็นธรรมะไว้มากๆสม่ำเสมอในชีวิตที่เรายังมีลมหายใจเข้าออก ก็จะได้เกิดเป็นความภูมใจว่าเรานี่มีธรรมะขึ้นมีความสงบขึ้นในกายของตนและจิตของตนบุคคลที่มีความสงบนั้นเนขะาเรียกว่าคนมีเหตุผลคนเราเนี่ยจะสงบมาเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลไมมีแล้ว เหมือนกันเราเนี่ยสามารถกลุมความสงบของเราได้เนี่ยเพราะเรามีเหตุผลเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเออเพราะอะไรนั้นเราจึงสงบได้เราก็จะจับได้ทันทีว่าอ๋อเราเป็นผู้มีเหตุผลนั่นเองเหตุผลก็หมายถึงลักษณะเราเดินตามลักษณะคัดลองของธรรมะหรือว่าเดินตามลักษณะของข้อวัตรปฏิบัติหรือธรรมะขับสอน ขอให้มีความเข้าใจและจะให้มีความสำคัญถึงที่เปของตนเองเราจะต้องเดินทางต่อไปอีกไม่ใช่ว่ามาหยุดเพียงแค่เพียงแค่ร่างมนุษย์เฉยๆนี่เขาเรียกว่าร่างของมนุษย์นั้นก็คือร่างของจิตที่ถูกทดสอบ ว่าในขณะที่ติขอเรามาอยู่ในร่างมนุษย์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะค้นคำธรรมะได้ขนาดไหนแล้วก็ค้นธรรมกรรมในขนาดไหนและเราเมื่อเราค้นไปแล้วเนี่ยเราไปพบธรรมะเราไปพบกรรมแล้วเนี่ยอเราปรับปรุงนิสัยของกรรมอย่างไรแล้วก็ปรับปรุงนิสัยของธรรมอย่างไรในช่วงขณะหนึ่งที่เรามาอยู่ในร่างของมนุษย์นั่นคือการทดสอบ เหมือนกับว่าเอาละฉันจะให้จิตของเธอในอยู่ในร่างมนุษย์สักพักแล้วฉันจะให้เธอรู้ว่าโลกนี้มันเป็นยังไงในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตในธรรมะที่เกิดขึ้นในความสงบของจิตฉันจะให้เธอรู้แตนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ย เรามีความสําคัญหรือเรามีความเข้าใจในคำว่ากรรมที่เรามากําหนดหรือทําที่เรากําหนดขนาดไหเขาจะให้ร ะ, ะยะช่วยหนึ่งคือช่วยระยะเหมือนอย่างดินตาอากาศเขาบอกไว้เนี้ยฉันสามารถพิสูจน์ถึงผลการกระทําของเธอได้ทุกดวงจิตเพราะฉันมีสายลับอยู่ในจิตของเธอคืออะไร ภาพทั้งสี่นะนั่นแหละคือสายลับลที่เขาจะคอยติดตามจิตตรงนี้ต่อไปดินน้ำลงไปเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกถึงนักษณะว่าจิตตวงนี้คิดอย่างไงใช้ภาพุทำอย่างไงที่เขาเรียกว่าสังขารใช้วาจาอย่าง ใช้ความประพฤติรปในทางไหนเขาจะไม่ทักท่วงในฐานะที่เราเป็นผู้รู้หรือไม่รู้แต่หลังจากจิดตดวงนี้ออกจากธาตุสี่ไปแล้วธาตทั้งสี่จะฟองจะพร้อมเลยว่าจิดตดวงนี้นี่ทำอะไรไปบ้างดีหรือชั่วขนาดไหน ที่เ้าเรียกว่าถ้าทั้งสี่ติดตามบันทึกความกระพึกของจิตทําทำไมถึงพูดอย่างนี้กับพระพุทธองค์นะทรงอย่างถุงดินฟ้าอากาศอย่างไรและเห็นอย่างไรอาจจะว่าเราจะไปทำอะไรตรงไหนถ้าทั้งสี่นี้เขาจะไปชุมกันเลยเหมือนกับคนสี่คนนะั้นมองดูเราทำอะไรอยู่ นี่ดินดูนะนี่จิตตรงนี้ทำอะไรนา้าดูนะลมดูนะไฟดูนะเขาประชุมกันสี่คนเลยว่าจิตตรงนี้คิดยังไงทำยังไงแต่ถ้าทั้งสี่ที่เราอาศัยนั้นจะไม่ขัดขานเขาพร้อมที่จะมาเป็นบริวารหรือว่าเป็นผู้รับใช้จิตผู้ฉลาดรู้าทานันท่าทั้งสี่จึงมีความเปลี่ยนกลัว เหมือนอย่างพระองค์ท่านเกรงกลัวต่อดินฟ้ากันเราไม่ได้เอาวินัยปัจจุบันนี้มาพูดนะไม่ได้เอาสินห้าสินแปดสินสิบสินสองรอยี่ิเจ็ดมาพูดแต่เราเอาหัวใจของกรรมหรือบุคคลที่ติดตามจิตตรงนี้มาพูดในฐานะที่เรามาพบโลกุตตรธรรมไม่งั้นพระองค์ไม่ทรงบัญญัตไว้หรอกไม่ทรงสอนไว้หรอกว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมนี้ไม่พ้นกฎของกรรมเพราะท่าทั้งสี่ถ้าทำกรรมดีท่าทั้งสี่ก็คงจะดีขึ้นถ้าทำกรรมชั่วท่าทั้งสี่นั้นก็คงจะแย่ลงไปคือต่ำลงไปจึงมีมนุษย์มีสัตว์ให้เรา